มาหลวงเป็นมาราศีอยู่เลยอันนี้ขณะมาปฏิบัติร่วมนะหลวงพี่คณะาจารย์และญาติธรรมทุกท่านเจ็ดวันได้อะไรได้ตัวรู้ค่ะหลายหลายตัวเลยตัวแรกรู้ว่าตัวเองแก่แล้วแต่คราวนี้ยอมรับได้ทุกผีไม่ยอมรับ เมื่อเช้ามาไม่ได้เพราะว่าตื่นมาทีสี่ความดันขึ้นร้อยแปดสิบก็เลยอนอนสักพักหนึ่งก็ร้อยห้าสิบก็เลย อ, อยากมามากก็กเลยต้องมีคนขับรถมาองขับรถมาเป็นเพื่อนยังไงก็เดี๋ยวโรงพยาบาลบางเกาะก้าแถวนี้เองอันนี้ก็สิ่งที่ได้ ก, ก็คือเป็นเป็นคุณแม่นะคะเป็นคุณแม่ของอนักเรียนรุ่นละลุนแล้วก็เป็นคนที่กลับบ้านไม่ได้ค้างซึพระอาจารย์ก็จริงๆพระอาจารย์อยากให้ค้างแต่ฟังดูแล้วไม่กล้าค้างเลยฝั่งน้องคนนั้นพูดเลวเพราะว่ากลัวทุกแกมากเลยในชีวิตนี่กลัวก็นี <laughs> ่ <laughs> คราวนี้สิ่งที่ได้เห็นจากการที่ไม่ได้ค้างเนี่ยโอ้โหทำข้อสอบแทบไม่ทันเลยลอ่ายังดีนะฮะมีจากคราวที่แล้วที่ได้เข้าคอสที่แล้วเจ็ดวันก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างคราวที่แล้วเตรียมตัวดีมากเจ็ดวันสามีนี่ก็ดูแลลูกให้อย่างดีพร้อมหมดทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีเจ็ดวันเต็มแปลกมากเลย วัดความดันดีมากร้อย0ี่สิบแปดสิบไม่เคยเป็นมาก่อนอ่าดีมากคราวที่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากาเห็นว่าเป็นคอร์สของของอาจารย์ก็ได้คุยกับเพื่อนๆว่าไม่อยากรบกวนก็เลยไม่ได้มาเข้าก็าดีคุณจุ๋มบอกว่าอาจารย์ให้ไปตามก็เลยไ ด, ได้มาเข้าหกกวันก็ มันก็จะเลยมีสภาพความไม่พร้อมที่เราไม่ได้เคลียร์ไว้อะไรหลายๆอย่างัก็มาเป็นบททดสอบเยอะอันดับแรกก็คนขับรถนี่แหลคะคะเขาทำใจไม่ได้มั้งคะอันนี้ไม่ได้คุยกันนะความรู้สึกเราก็คืออ่าเขาคงช็ะว่าเฮ้ยทาไมมันปุ๊บปั๊บปากลูกเจ็ดวันปุ๊บปั๊บเขาคงช็ะสองก็พอดีลูกสาวที่เป็นซํมเนรีมาด้วย มาพอดีจังหวะนั้นเลยก็เอ๊ะเราเนี่ยจะต้องปฏิบัตินปฏิบัติคือฉันมังสวิรัติเช้าเนี่ยคุณแม่จะต้องทําอันดับแรกก็ก็ถามก่อนถามลูกสาวก่อนลูกสาวบอกไปเลยแม่หนูเป็นสามเณรีหนูยังทํากับข้าวเองได้เขาบอกว่าถ้าเป็นทิกซูนีจะทําเองไม่ได้หนูมันก็ไม่ทราบนะฮะ เ, เขาบอกอย่างนี้หนูก็เอาเลยสิลุยตอนนี้ก็ <c oughs> ด่านที่สอง <c oughs> ก็รู้สึกเขาแบบ เขาก็แบบยังไงอ่ะเย็บซ้ายเย็บขวาเขาไม่กล้าซัดตรงๆนะคงกลัวโดนนกเย็บไปเย็บมาเรารู้แหละรู้แหละบังเอิญก็อยู่ชั้นดาวดึงใช่ไหฟังแล้วมันก็เป็นเสียงเพลงไปก็เลยแบบอันดับแรกแต่เรารู้สึกว่าเขา เรารู้สึกเองนะว่ามันเหมือนเป็นมาร น, นะเราก็ไม่รู้อ่ะก็ใช้วิชามารมาแล้วก็ใช้วิชาพระไปสองวันมีอะไรก็ปิด <zug> ก็รู้สึกว่าเออเขาตีกลับเพราะเขาบอกว่าอยากก่าวป้าอาจารย์เขาคงมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมภรรยาเปลี่ยนไปจาก ปากมากจนกลายเป็นไม่มีปากเ น, นี่ยก็เลยยังคิดว่าเขาโชคดีมากนะวันนี้ที่ที่ป่วยเขาถึงได้มานะเนี่ยไม่งั้นเขาไม่มีสิทธิ์เข้ามาการาบอาจารย์อืมก็อันเนี้ยฮะที่ที่ได้ว่าเออเราทําได้ น, <S <S 1> <S 1> น่าจะจากคราวที่แล้ว <S <S แล้วก็มีเรื่องทดสอบเยอะถ้าเราก็จะเสียเวลาอ่าบีอ่า อ, อีกเรื่องหนึ่ง ทุกเช้าขับรถมาเองตีสี่ตื่นตีสี่ครึ่องออกมาถึงนี่ตีห้าทำวัดเช้าทุกวันนะี่ขับไปปุ๊บข้างหน้ามีรถประมาณแปดล้อมันก็จะมีอ่น่าจะเป็นถุงแป้งมันขนาดประมาณครึ่งกระสอบข้าวสารยี่สิบกว่าถุงมันจอดอยู่ข้างหน้าเอาตายแล้วเราเราก็จะรีบไปวิยังไง ก็มองไปอันดับแรกไม่พอใจเห็นแล้วไม่พอใจเพราะว่าเราก็ ม, มองอที่ไม่พอใจนี่มันไม่พอใจอะไรเนี่ยอ๋อไม่พอใจที่สองคนหนุ่มๆลงมาเขาก็เดินอ้อยอิงเขาขนลงตั้งยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าเออไอถุงนั่นอะซึ่งมันยี่สิบนาทีจริงๆเนี่ยเราก็วันนั้นที่มาทำวัดเช้าๆไปสิบวนาทีนะ แล้วเราก็เอ้ยเราไม่พอใจอะไรเนี่ยอ๋อเราอยากให้เขาบอกเราเนะว่ารอหน่อยนะพี่ผมจะขนนานหน่อ ย, อยตรงนั้นแค่นั้นเองที่เราโกรธที่เราโกรธตรงนั้นนะเราเราคาดหวังอยากให้เขามาพูดคํานี้ถ้าเขาพูดซะเราก็ไม่โกรธก็เออเราก็เห็นนะเอ้เรานี่ปรุงใหญ่เลยนะพดีมันมีสิบห้านาทีตรงนั้นพอดีทำไงได้ไปไหนก็ไม่ได้ก็เห็นแล้วว่า กลับมาดูมันกลับมาดูที่ตัวเองเห็นว่าเราผิดนะเนี่ยอืมตอนแรกเกือบจะไปมองว่าเขาผิดเนี่ยแต่มันตีกลับว่าเอ้เราผิดพอเราเห็นว่าเราผิดปุ๊บเนี่ยมันหยุดเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราเห็นคนอื่นผิดเนี่ยเราจะไม่ให้อภยัยแต่พอเราเห็นว่าเราผิดเรารีบอภัยเลยจบเลยค่ะตรงนั้นหยุดก็โอเค 15้านาทีก็สิบห้านาทีเอามาถึงสายสิบห้านาทีก็ไม่เห็นเป็นไรไม่มีใครว่าอะไรเราคิดไปเองทั้งหมดปรงแต่งไปเองทั้งหมด อ, อันนี้หามีข้อสอบร้ายอันที่ที่แบบอื้อือแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ได้อ่าก็คือคุณแม่เรียกว่าได้อารมณ์นะฮะซึ่งซึ่งไม่ทราบ ว, ว่ามันถูกหรือเปล่าก็ ปรึกษาหมอนกนี่แหละหมอนกบอกว่านั่นอ่ะเขาเรียกว่าได้ลมถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกก็ว่าหมอโนกก็ความรู้สึกที่ถามพระอาจารย์นั่นแหละว่าคราวที่แล้วอ่ะมันคืออะไรที่รู้สึกอยู่ว่าอืมมันเบาสบายแล้วมันก็สามารถทําแบบเบาไม้เบามืออยู่ตั้งนานอะไรเนี่ยพระอาจารย์ก็ตอบแบบผู้มีปัญญาว่าซึ่งบังเอิญพูกับ พวปัญญาอ่อนนะเพราะทานก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจไอ้มันปอสีแล้วก็ไม่ต้องสนใจอ่ะเราก็ไม่ต้องสนใจก็ไม่ต้องสนใจก็เห็นด้วยกับอาจารย์เล็กนะว่าเออเราคุยกับพระอาจารย์เราไม่ค่อยเข้าใจทําไมเข้าใจเลยค่ะเอีอ๋ยว น, น, นี้ก็เลยแบบอืมก็เลยมันถึงไหนแล้วเนี่ยสติไม่ค่อยดีก็ ก็ได้ได้อารมณ์ตรงที่เพราะาเบาสบายเนี่ยเนี่ยเราตอนนี้ยังติดอยู่ตรงนี้เลยว่าได้อารมณ์าสามวันแรกนี่ดีกว่าครั้งสองวันครั้งแรกครั้งแรกคือคราวที่แล้วนี่จะง่วงจะอะไรมากสามวันแรกนี่ยังแบบห้าสิบห้าสิบพอสี่ห้าวันนี่เออรู้สึก รู้สึกาาการต่างๆหายไปเกือบครึ่งพอวันที่หกคือเมื่อวานเนี่ยช่วงน่าจะเกือบเกือบพักกลางวันเนี่ยเรารู้สึกเรากวนขนมของเราเนี่ยแล้วก็ช่วงบ่า ย, ยรู้สึกมันกนนะมันได้ที่สิบนาทีคือมีความรู้สึกเบาสบายอยู่อย่างนั้นถึงสองครั้ง ตรงนี้ที่ที่ที่ที่ที่ถามพระอาจารย์ว่าไออารมณ์นี้มันจะมาอีกไหมมันคืออะไรนี่แหละแล้วก็สองครั้งเสร็จแล้วช่วงบ่ายสามโมงครึ่งก็มาอีกกําลังกวนอยู่เลยพระอาจารย์เดินมาบอกนิ่งหรือยังไม่สนใจพระอาจารย์กําลังค่ะกําลัง <laughs> แล้วก็กวนอยู่อย่างนั้นาพระอาจารย์คงสังเกตแต่าพระอาจารย์ก็รีบเดินเลยแ ล, แล้วมันก็มันก็มันก็อยู่อย่างนั้นไปจนถึงห้าโมงครึ่ง เลิกคาสแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่เลยค่ะก็เลยยังแบบก็ยังงงว่าเนี่ยก็ <c oughs> เลยนนนนนเนี่ยเนี่ยก็จะถามหมอน๊กหมอโน๊ว่านั่นเลยเขเรียกว่าได้อารมณ์ก <c oughs> ็เ น, นี้ยได้เลยแล้วก็เลยแบบแต่ตอนนี้ที่เป็นปัญหาคือได้รู้ว่าดูไม่ชัดเพราะยังไม่เข้าใจชัดชัดของาอาจารย์เนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้ที่พวิจารย์ที่ายเนี่ยมันไม่เข้าแล้วค่ะมันมันล้นหมดเลยค่ะเพราะ เพราะว่ามันรับไม่ไหวแล้วค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็รู้สึกว่าอยู่โรงเรียนนี้ลราคุ้มมากเลยค่ะ <c oughs> เสียค่าเทอมลูกอย่างเดียวแถมแม่ด้วยเพราะว่าแม่ได้เรียนรู้หลายอย่างได้ใช้สถานที่ได้อะไรหลายๆอย่างที่นี่อแต่แต่ว่าเมื่อเช้าได้คุยกับคุณหมอเนี่ยก็มันมันมีความรู้สึกอันหนึ่งว่า เอเราก็ปฏิบัติประมาณนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไปอยู่บ้านเนี่ยถ้าเราขยันเราจะทำทำเองของเราอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะได้ไหมนะมันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าได้เพราะว่ามันเวลาทำเนี่ยมันจะมีคำถามที่เราจะต้องมีที่ปรึกษานะฮะก็เลยไม่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันมันยังไงพูดไว้เผื่อคราวหน้าจะได้เข้าอีกไงคะเอามาเห็นที่ปรึกษ มาเห็นที่ปรึกษาแล้วตอนนี้นะความจริงผู้เป็นพ่อบ้านนั่นนะต้องขอบคุณเขามากๆเลใช่ค่ะใช่ค่ะเนะพราะว่าเ<อ>ขาเขาคุณเขาเพราะเขาเป็นฟูสอบอารมณ์ให้นะ<ฆ>สอบเรศของจริงก็จะมาด้วยนะใช่ใช่สอบของจริงด้วยเนี่ยโยงต้องไปกล่าวเขาในวันหลังนะเ<ฆ>พราะว่าในคนที่สอบอารมณ์ให้ตัวของเราดีที่สุดคือคนที่เราผูกพันนั่นแหละแล้วมันจะสอบได้แหลมคมได้ลึกทีเดียวนะ ของจริงทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเองเขาถึงมีบุญได้มากราบหลวงพ่อวันนี้ไงเพราะเขาเป็นคนสอบอารมณ์ที่ดีค่ะแล้วก็ครั้งต่อไปเข้าใจว่าโยมผู้ชายจะได้มาด้วยโอ้ยินดีเลยยินดีนะโยลิวนาโยมนั่งหลังนะแต่โยมผู้หญิงก็จะมาไม่ได้เพราะต้องดูลูกต้องสันต้องฝันให้โยมผู้ชายมาบ้างค่ะพอะคุณมู่นานะค่ะพระอาจารย์คะก็เลยมีอีกเรื่องหนึ่งว่าลูกก็สอบอารมณ์วัด สามีสอบแลลูกก็สอบว่าคราวนี้เรารู้สึกเหมือนุณจุมเลยว่าเราทิ้งลูกได้แบบทุกทีเนี่ยมันทิ้งแบบใจไม่ทิ้งอะ่ะแต่คราวเนี้ยมันสบายใจเลยมันสบายใจเลยว่าอ่าบอกไม่ถูกอ่ะแล้วมันมันไม่มีความรู้สึกเลยว่าความหวงหาความใหญ่ใหญ่มันไม่มีเพอก็อย่างอย่างสามเนรีเนี่ยเออเราก็ ตอนแรกเราก็เอ้ยเราต้องทํากับข้าไว้ท่านดีไหมนะ้าไม่ต้องมาแม่แต่พอพอพอพอท่านพูดอย่างนั้นน่ะแม่ไปเลยหนูครับโอเค ก, ก็ก็เหมือนอาจารย์ออดว่านะเ อ, อตัวใครตัวมันนะก็เรียกว่าความห่วงหายไปเลยนั่นแหละถือว่าหมดวิบากกรรมเรื่องลูกแล้วว่างั้นเถอะถ้าเราไม่ห่วงอันไหนนี่หมายความว่าวิบากกรรมเรื่องนั้นจบไปแล้ว แต่ว่าฉันกลับไปหฮวงใหม่นะต่อไปเขาเชิญจันนกกลับมาพิธการพระอาจารย์พระภิกษุแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะค ะ, อะขอขอบคุณสถาับันอสมศิลป์เพราะว่าที่ให้โอกาสเข้ามาปฏิบัติก็คล้ายๆพี่พี่พิ่เตียคะ่ะคือกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็ก็ๆๆปกติค่ะ ลูกสามคนแล้วก็ยังไม่ยังไม่โตเท่าไหร่นะแล้วก็จริงจริงก็พวกเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้ไไดอยู่ที่นี่หมดค่ะเขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้ดีค่ะทำก๋บยเข้าวไว้ให้อุ่นกินเองได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็ห่วงห่วงไปเองเพราะว่ามันแบบมันเป็นกระทะไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่มากอะค่ะ สั่งเอาไว้แล้วก็บอกว่าถ้าแม่โทรไปต้องรับนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีห่วงบ้างค่ะช่วงไปทานข้าวเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เขามาโรงเรียนก็ให้เขาเดินมาเองอเพราะว่าอยู่ ใ, ใกล้ๆก็ถ้าถ้าวันไหนไม่รับโทรศัพท์แม่ก็จะเป็นกังวลกลับไปดูก็อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแต่ว่านอนต่อก็ พอดีพี่สาวไม่อยู่อะคะ่ะพี่สาวไปพักสนามพี่สาวที่โตม .3 ไปพักสนามกับโรงเรียนแต่ว่าวันต่อมาแม่ก็กำลังชับว่าแม่ไม่กลับมานะวันเนี้ยถ้าไม่ไปโรงเรียนก็แปลว่าไม่ไปนะคือไม่งั้นก็ไปสายนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาคงไม่อยากไม่อยากไม่ไปโรงเรียนนะคะ่ะบุมบังเรียนสนุกสนุกกว่าสิ่งที่ได้ก็ก็คือว่าตั้งแต่ ชอบทุกอย่างที่ที่จัดตั้งตั้งแตออ่สิ่งที่พระอาจารย์ทำให้เราเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรงชอบกิจกรรมตอนเช้ามากแล้วก็คิดว่าเราต้องเอากลับไปทำนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารการกินซึ่งปกตินี่ก็ก็พยายามทำ ทำกินเองแต่ว่าเพราะว่าเป็นคนสมข้าไม่เป็นทำแล้วก็มัดสมมดกำลังใจว่าไม่มีคนกินแล้วแต่ว่ า, าประมาณอีกปลายเดือนเนี้ยค่ะจะไปเข้าคอร์สหมอเขียว เ, เพราะว่าคุณแม่ไม่สบายอยัง <tyard. S 2> ยังไม่เข้ามาถึงที่นี่เลยนะว่าอาจาร์สังเกตเวทนาแตลล่ละวันไป็นยังไงก็มามามามาเข้านี่ก็เป็นคอที่มีพัฒนาการขึ้นเพราะว่าหนูเข้าตั้งแต่ต้นปีมานเนี่ยสี่ครั้งแล้วสิ่งที่เห็นว่าดีขึ้นก็คือว่าคือจริงๆแล้วอาจจะเป็นเด็กนักเรียนที่ไม่เก่งอะค่ะบางทีสอนแล้วก็ไม่จําก็เลยแบบว่าเวลาปฏิบัติอาจจะ ไม่ได้อย่างที่อย่างที่อย่างที่พระอาจารย์สอนแต่ว่าที่เราที่เราได้เนี่ยคือว่ามันสบายอะ่ะไม่เคยต้องแบบกังวลเรื่องเวลาสามชั่วโมงสบายเอาหมดเวลาแล้วเหนอเมื่อวานห้าชั่วโมงครึ่งก็เฉยๆนิวร์ก็สามารถค่ะคือว่ามากที่สุดก็ง่วงวันแรกวันที่สองง่วงมากแต่ว่าก็ไม่ก็เคยง่วงกันนี้อีก เคยง่วงหัวทิ่มกลางและรู้จงกลมก็เคยมาแล้วก็ก็แก้ไม่ค่อยได้บางทีบางบางทีแบบว่าเอ้ยช่างหลวงตาจะมาเห็นก็ช่างขอหลับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เคยมาแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันมันเบาบางลงมามากแล้วก็ความรู้สึกตัวเวลาทำเนี่ยก็ก็ดีแต่ว่าหนูอาจจะบางที ชอบคิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ชอดเล็กๆสั้นๆนบางทีก็เป็นคำพูดคนเป็นบทสวดมนต์เป็นคำพูดที่พระอาจารย์เทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันชอบเข้ามาแว บ, บๆแวบๆแวบๆแต่ก็ ก, ก็ก็คิดก็ก็จับทันอยู่ค่ะอาการหงุดหงิดไม่ค่อยมีเบื่อก็น้อย เ, อเดินก็สบายๆดูไปเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะ อาจจะยังจับเวทนาไม่ได้คือไม่ใช่ไม่ได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ไม่เคยพยายามที่จะให้มันถึงสิบเวทนาของหนูมีสองระดับคือทนได้กับทนไม่ได้กับไม่อยากทนเกับไม่อยากทนคือไอ้ทนไม่ได้เนี่ยไม่อยากไม่อยากเพราะว่าเคยมาแล้วเหมือนขาจะขาตอนที่ไปคุยในก้ามา ก็เลยคิดว่าไอ้ทนไม่ได้ไม่เอาเอาแต่ทนได้กับไม่อยากทนแล้วพอไม่ต้องสิบระดับเพราะว่ามันนับไม่ถูกค่ะแต่ก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในตัวเองเนี่ยก็อ้สิ่งที่เห็นก็คือว่าความบกพร่องในในความเป็นตัวเองเราอาจจะมีความแยบขายน้อยเห็นตัวเองเยอะขึ้น แล้วแต่ว่าความใจร้อนเนี่ยจริงเที่ยวที่สังเกตมาที่ผ่านมาหลายครั้งก็ใจร้อนใจเย็นมากขึ้นแล้วก็โกรดน้อยลงเวลาแบบเออ่ลูกๆคนประสาทเนี้ยเราก็เราก็เราก็ยังปวดอยู่แต่ว่าการแสดงออกของเรามันเบาบางลงคือว่าไม่ไม่รุนแรงอ่ะแต่ก็ องว่ารุนแรงก็อาจจะจริงๆไม่ใช่เป็นคนรุนแรงแต่ก็ไม่เท่าเดิมเบาขึ้นแล้วก็หายเร็วแป๊บเดียวก็หายแป๊บเดียวก็กลับไปพูดกอดกันได้เหมือนเดิมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าแม่ก็โกรธนะก็ก็รู้สึกว่าโดยรวมอะค่ะโดยรวมดีขึ้นการปฏิบัติครั้งนี้ก็ดีดีอะค่ะทำให้อยากมาปฏิบัติอีกแสดงว่ายิ่งฝึกก็ยิ่งได้ผล ขอบคุณนะามากำลังเห็นนิวิตใหม่ของโรงเรียนล่งอรุนนะจะต้องมีลูกอรุนสองนะอาจารย์ประภาพัฒนสำหรับผู้ปกครองผู้ปกครองต้องมาเข้าโรงเรียนด้วยบอเข า, อาต้องให้ไปสอนต้องให้ไปสอนใช่คือคือครูที่คืไอไปที่โรงเรียนแต่ต้องยนเก็ไปสอน <laughs> ไม่เกี่ยวข้าโรงเรียนคืออย่างนี้นะ ครูที่มาฝึกจากลุงอรุณ น, นะคนไหนที่จะมองทำมตองมอ ง, มอง เ, อเรียกคุณมลลีกลับมาเพราะเขาจะเป็นครูสติสําหรับครูแม่บ้านต่อไปอะ่ะ mm. ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเรียกกลับมาฝึกวันที่สอ ง, ท, สอ ง, ท, สองที่สามแล้วครูนกด้วยไม่เป็นหมอแล้วเป็นครูแล้วตอนนี้นะคือจะมีลุงอรุณสองขึ้นมาสําหรับผู้ปกครองเพราะที่นี่เอาผู้ปกครองก่อน เมื่อเอาเด็กมาแล้วก็ผู้ปกครองมาเข้าาำรับผู้ปกครองคนไหนที่มาเข้าโรงเรียนนี้จะไม่เสียค่าเทอม <IL LE TH> โอ้นั่ น, นคือรางวัล <c oughs> แต่ว่าจบหลักสูตรนี้แล้วจะต้องเป็นวิทยากรของอามสมศิลต่อไปอนาคต <Umwelt> อาแล้วครูที่อามสมศิลป์นี่จะออกไปเป็นครูวิถีพุทธทั่วประเทศเลยโอ้โหโครงการใหญ่มากเลยอาจารย์ประพัฒรับทราบไว้ด้วย ว่างานสองงานในโปรเจกต์เกิดเยอะเลยเหเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่มามองว่าความเป็นพุทธในในประเทศไทยของเรามันน่าจะเพิ่มขึ้นด้วยวิธีนี้นะถ้าไม่ขยายด้วยวิธีนี้เนี่ยความเป็นพราม์มันก็ยังครอบต่อไปอีกหลายศตวรรษนะแต่โดยวิธีนี้มาว่าความเป็นพุทธของเราจะเยอะขึ้นแลเริ่มต้นเจ้าพวกเรานี่ยดังนั้นเองในจุดนี้ขอฝากความหวังไว้กับทุกคนว่า มันน่าจะเป็นไปได้นะ